จะเหลือแค่ความรู้สึกว่าแต่ละอิริยาบถเป็นคนละตัวกันอิริยาบถหนึ่งปรุงแต่งจิตไปอย่างหนึ่งอีกอิริยาบถหนึ่งปรุงแต่งจิตไปอีกอย่างหนึ่งเท่านี้ก็นับว่ามีสติเห็นกายใจเป็นอนัตตาไม่มีตัวเราอยู่ในกายใจได้แบบอ่อนๆอแล้วครับและที่เป็นผลพลอยได้ในแบบโลกโลกก็คือน้องจะรู้สึกถึงลักษณะจิตที่พร้อมจะเกิดไอเดียยิ่งรู้สึกบ่อยขึ้นเท่าใด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 เอาตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์เสียตั้งแต่วัยนี้คำถามที่สอง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 เพียงเท่านี้บ่อยเข้าก็จะเป็นผู้อยู่เหนืออำนาจความทยานอยากเสียได้ครับ